เอ่อสําหรับต่อไปนี้ก็ 40 หรือ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ แต่ความจริงพระ 40 ไว้ จะขอนําเอามหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง จงอย่าคิดว่าคําสอนทั้งหมดนี่เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่ จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนจะ 15 ซึ่งเป็น แล้วก็ไคล้ครวน 10 ให้เป็นปกติ 4 เข้าควบ 15 ก็เออ 15 ก็ 10 ก็ดีอารมณ์ เพราะว่ามีกําลังใจไม่ครบ <c oughs> เมื่อก็มาๆจง 15 และ 10 ประการว่าสิ่งใดในทั้ง 25 ประการนี้เราบก 4 ว่าเรา แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรักษาจารวัตรคิดว่าจะระสาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมด จึงแปลเป็นเจตความว่าข้าพเจ้าขอ แต่ๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกิเลสมันก็ดับหมดเหมือน <c oughs> เลิกกันความสงสัยขอบาลีมา <c oughs> ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ ย่อมมีสติให้ใจออกมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาว ย่อมสัมเนึกได้นี้ว่าเรา คือลมอัสสาสะปัสสาสะที่เรียกว่าลมหาย ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกคึงยาวเมื่อชักเชือกคึงสั้นก็รู้ชัดว่า นี่ว่าหายใจออกยาว ย่อมสัมเนึกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมหายใจ ย่อมพิจารณาให้กายในกาย ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสัตวะ <c oughs> นี่สําหรับในในอานาปานํบัพคือการกําหนด <c oughs> ความจริงเรื่องอย่างนี้น่ะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งกัน นี่สําหรับนานาปานุสติธนาปานํบัพในกายใน เป็นการส่งอารมณ์ป้องกันความฟุ้งๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าเวลาที่เราหายใจเข้ารู้มีสติสติก็หมายความรู้ แล้วหายใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาหายใจ เป็นอนวะยส่งกำหนดเอาจิตเข้าไปเมื่อเราสามารถส่งอารมณ์รู้ลมใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชื่อว่า ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าๆก็ไม่ยากแต่ <c oughs> ท่านโดยเพาะอย่าง ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้า ทางนี้ก็เพราะให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นเราเป็น นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้ เวลานี้เราหายใจออกหายใจเข้าๆใน อัตตมะเองกอรปโรวนะแต่ตัวว่าถ้าเราไม่ ยังตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กําลังมันก็ดีๆให้ นอนให้สบายเที่ยวให้สบายจิตใจมัน ก็เจริญกรรมฐานผมจะไม่ตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไป เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มาก ถ้าถ้ามันเป็นไปดูสะดวกไปได้ก็ๆมึงก็มาประยุทธ์ก็กอด ตามทางที่เราต้องการได้ทางที่ๆเอาไว้ไม่ไหวๆก็ไม่เกิน 20 นาทีไม่เคยถึง พอมันเริ่มคิดตอนนี้เราเริ่มจับ บางวันก็ดีบ้างวันก็ดีบ้างบางวันก็เลว ทางควบวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเมื่อสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเรา ย่อมพิจารณาแห่งกายในกายเป็นภายนอกพิจารณากายเราเองบ้างในกายทั้งภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามา จึงกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่าง ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมาย เล่ากล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดา เป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดีเป็นกายที่บุคคลเนื่องเห็นกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นภรรยา ทางหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีว่าเธอจงยาวจิตเข้าไปติดในกายนั้น อย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็น เราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะ ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตเป็นนี่เป็นสกายัตทิฏฐิสกายัตทิฏฐินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าๆในโลก นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกาย ผมไม่เป็นเจ้าของมันในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ในกายเนืองๆอย่างนี้ผมก็ขอแท้มีมิตรว่าๆ คำว่านิ่งก็หมายความเป็นปกติไม่ขาด ที่เราว่าโกรธก็เนื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เรา นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอานาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้น เหล่าบรรดาพระภูคาวจารย์ทั้งหลายเวลาที่จะคุย จะเป็นเป็นไปตามความประสงค์ตาม